และการเสด็จอุบัตในนาคพิภพได้มีแล้วแก่ฝาพระบาทข้าพระองค์ขอทูลถามเนื้อความนั้นกะฝาพระบาทวิมานนี้ฝาพระบาททรงได้มาอย่างไรนาวิมานนี้ฝาพระบาททรงได้มาเพราะอาศัยอะไรหรือเป็นของเกิดขึ้นตามฤดูกาลฝาพระบาททรงกระทาเองหรือเทวดาทั้งหลายถวายแก่พระองค์ ข้าแต่หน้าคราชขอฝ่าพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระองค์ตามที่ฝ่าพระบาทได้วิมานนี้มาเถิดพระเจ้าค่าท้าวรุณตรัสว่าวิมานนี้เราได้มาเพราะอาศัยอะไรก็หาไม่ได้เกิดขึ้นตามฤดูการก็หาไม่ได้เรามิได้กระทําเองแม้เทวดาทั้งหลายก็มิได้ให้ แต่วิมานนี้เราได้มาด้วยบุญกรรมอันไม่ลามกของตนเองวิทุระบันดิตทูลว่าข้าแต่หน้าคราชอะไรเป็นวัดของฝ่าพระบาทและอะไรเป็นพรหมจรรย์ของฝ่าพระบาทฤทธิ์ความรุ่งเรืองพระกําลังกายพระวิริยะภาพและการเสด็จอุบัติในหน้าพิภ พ, พ ทั้งมิมาณใหญ่ของฝ่าพระบาทนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรอันฝ่าพระบาททรงประพฤตีแล้วท้าวรุณตรัสว่าเราและภรรยาเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีศรัทธาเป็นทานบดีในครั้งนั้นเรือนของเราเป็นดังบ่อน้ำของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายและเราได้บารุงสมณะพราหมณ์ให้อิ่มน้ำสำราญ เราทั้งสองเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกนั้นได้ถวายทานคือดอกไม้ของหอมเครื่องลูปกใยเครื่องประทีบที่นอนที่พักอาศัยผ้านุง่งผ้าห่มผ้าปูนอนข้าวและน้ำโดยเคารพทานที่ได้ถวายโดยเคารพนั้นเป็นวัดของเราและการสมาทานวัดนั้นเป็นพรหมจรรย์ของเราแน่ท่านผู้เป็นปราร ฤทธิ์ความรุ่งเรืองกำลังกายความเพียรการอุบัติในนาคพิภพและวิมานใหญ่ของเรานี้เป็นวิบากแห่งวัดและพรหมจรรย์ น, นั้นอันเราประพฤติดีแล้ววิทุระบัณฑิตทูลว่าถ้าวิมานนี้ฟาพระบาททรงได้ด้วยอานุภาพแห่งทานอย่างนี้ฟาพระบาทก็ชื่อว่าทรงทราบผลแห่งบุญ และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาพิภ พ, พ, พเพราะผลแห่งบุญเพราะเหตุนั้นแหละขอฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติ ธ, ธรรมโดยวิธีที่จะได้ทรงครอบครองวิมานนี้ต่อไปฉะนั้นเถิดพระเจ้าค่าท้าวรุณตรัสว่าแน่บันดิตในนาพิภ พ, พ, พนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ที่เราจะพึงถวายข้าวและน้ำเลย เราถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราโดยวิธีที่เราจะพึงได้ครอบครองวิมานต่อไปเถิดมิตรระบัณดิตทูลว่าข้าแต่นาคราชก็นาคทั้งหลายที่เป็นพระโอรสพระธิดาพระชายาทั้งพระญาติพระมิตรและข้าเฝ้าของฝ่าพระบาทซึ่งเกิดในหน้าพิภพนี้มีอยู่ ขอฝาพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประทุสร้ายในนาคมีพระโอรสเป็นต้นเหล่านั้นด้วยพระกายและพระวาจาเป็นนิจฝาพระบาททรงรักษาความไม่ประทุสร้ายด้วยพระกายและพระวาจาอย่างนี้ฝาพระบาทจะทรงสถิตอยู่ในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุแล้วจกเสด็จไปสู่เทวโลกอันสูงกว่านาคพิภพนี้ท้าวรุณตรัสว่า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 หรือปุณกกะยักษ์นี้ชนะในการเล่นการพานันจึงได้ท่านมาปุณกกะยักษ์นี้กล่าวว่าได้มาโดยธรรมท่านตกอยู่ในเงื้อมมือของปุณกกะยักษ์นี้ได้อย่างไรวิตระบัณฑิตทูลว่าปุณกกะยักษ์นี้เล่นการพานันชนะพระราชาผู้เป็นอิสราธิบดีของข้าพระองค์ในอินทปัตตนครนั้น พระราชาพระองค์นั้นอันปุญญกะยักษ์ชนะแล้วได้พระราชทานข่าพระองค์แก่ปุญญกะยักษ์นี้ข้าพระองค์เป็นผู้อันปุญญกะยักษ์นี้ได้มาแล้วโดยธรรมมิใช่ได้มาด้วยกรรมอันสาหัสพระเจ้าค่าในการนั้นพญานาคผู้ประเสริฐทรงสดับคําสุภาษิตของวิทุระบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์แล้วทรงชื่นชมโสมนัส มีพระหฤทัยเต็มตื้นด้วยปีติทรงจูงมือวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่สามสเสด็จเข้าไปในที่อยู่ของพระชายาตรัสว่าแน่พระน้องวิมาลาเพราะเหตุใดพระน้องจึงดูผอมเหลืองไปเพราะเหตุใดพระน้องจึงไม่เสวยกรยาหารก็คุณงามความดีของวิทุระบัณฑิต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 ผู้มีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินนั้นแล้วมีพระหฤรุไทยยินดีโสมนัสทรงยกพระองคุลีทั้งสิบขึ้นอัญชลีและตรัสกวิธุระบัณฑิตผู้เป็นนักปราชผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตว่าท่านเป็นมนุษย์มาเห็นหน้าพิภพที่ตนไม่เคยเห็นแล้วเป็นผู้ถูกภัยคือความตายคุกคามแล้วเป็นผู้กลัวแล้วไม่อภิวาส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 วิทุระบันดิตทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้านาคัญยาวิมานของพระองค์นี้เป็นของไม่เที่ยงแต่เป็นเช่นกับของเที่ยงฤทธิ์ความรุ่งเรืองพระกําลังกายพระวิริยาภาพและการเสด็จอุบัติในนาคพิภพได้มีแล้วแก่ฟาพระบาทถ้าพระองค์ขอทูลถามเนื้อความนั้นกะฟาพระบาท วิมานนี้ฝ่าพระบาททรงได้มาอย่างไรเนอวิมานนี้ฝ่าพระบาททรงได้มาเพราะอาศัยอะไรหรือเป็นของเกิดขึ้นตามฤดูกาลฝ่าพระบาททรงกระทาเองหรือเทวดาทั้งหลายถวายแก่ฝ่าพระบาทข้าแต่พระนางเจ้านาคัญยาขอฝ่าพระบาท ต, ตรัสบอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระองค์ตามที่ฝ่าพระบาทได้วิมานนี้มาเถิด พระเจ้าค่าพระนางวิมลาตรัสว่าวิมานนี้ฉันได้มาเพราะอาศัยอะไรก็หาไม่ได้เกิดขึ้นตามฤดูการก็หาไม่ได้ฉันไม่ได้กระทำเองแม้เทวดาทั้งหลายก็มิได้ให้แต่วิมานนี้ฉันได้มาด้วยบุญกรรมอันไม่ลา‑มกของตนเองวิุรบัณดิตทูลว่า ค่าแต่พระนางเจ้านาคีอะไรเป็นวัดของฝ่าพระบาทและอะไรเป็นพรหมจันทร์ของฝ่าพระบาทฤทธิ์ความรุ่งเรืองพระกําลังกายพระวิริยะภาพและการเสด็จอุบัติในหน้าพิภพทั้งวิมาตใหญ่ของฝ่าพระบาทนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรอันฝ่าพระบาททรงประพฤติดีแล้วพระเจ้าค่าพระนางวิมลลาตรัสว่า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 ที่นอนที่พักอาศัยผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าปูนอนข้าวและน้ำโดยเคารพทานที่ฉันได้ถวายโดยเคารพนั้นเป็นวัดของฉันและการสมาทานวัดนั้นเป็นพรหมจรรย์ของฉันแน่ท่านผู้เป็นปราชถรสทธิ์ความรุ่งเรืองกําลังกายความเพียรการอุบัติในนาคพิภพและวิมานใหญ่ของฉันนี้ เป็นวิบากแห่งวัดและพรหมจรรย์ น, นั้นอันฉันประพฤติดีแล้ววิธุระบัณดิตทูลว่าถ้าวิมานนี้ฝ่าพระบาททรงได้ด้วยอานุภาพแห่งทานอย่างนี้ฝ่าพระบาทก็ชื่อว่าทรงทราบผลแห่งบุญและทรงทราบการเสด็จอุบัติในหน้าพิภ พ, พ, พเพราะผลแห่งบุญเพราะเหตุนั้นแหลขอฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติธรรม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 ท่านตกอยู่ในเงื้อมมือของปุณกะยักษ์นี้ได้อย่างไรพิทุระบัณฑิตูลว่าปุณกะยักษ์นีเล่นการพนันชนะพระราชาผู้เป็นอิสราธิบดีของข้าพระองค์ในอินทะปัตถนครนั้นพระราชาพระองค์นั้นอันปุณกะยักษ์ชนะแล้วได้พระราชทานข้าพระองค์แก่ปุณกะยักษ์นี้ าพระองค์เป็นผู้อันปุณณกะยักษ์นี้ได้มาแล้วโดยธรรมมิใช่ได้มาด้วยกรรมอันสาหัสพระเจ้าข่าท้าวรุณนนาคราชตรัสถามปัญหากับวิธุระบัณฑิตฉันใดแม้พระนางวิมลาน์นากัรยา ก, ก็ตรัสถามปัญหากับวิธุระบัณฑิตฉั้นนั้นวิธุระบัณฑิตผู้เป็นปราช์อันท้าวรุณนนาคราชตรัสถามแล้ว ได้พยากรปัญหาให้ท้าวรุน่นนาคราชทรงยินดีฉันใดวิทุระบัณฑิตผู้เป็นปราช์แม้อันพระนางวิมลลานาคกัญญาตรัสถามแล้วก็พยากรปัญหาให้พระนางวิมลลานาคกัญญาทรงยินดีฉันนั้นวิทุระบัณฑิตผู้เป็นปรารทราบว่านาคราชผู้ประเสรศิฐและพระนางนาคกัญญาทั้งสองพระองค์นั้น ทรงมีพระหรุไทยชื่นชมโสมนัสจึงไม่ครันครามไม่กลัวไม่ขนพองสยองกล้าวได้กราบทูลท้าวรุณ น, นาคราชว่าข้าแต่นาคราชฝ่าพระบาทยาทรงวิตกไปเลยข้าพระองค์เป็นทาตสวยขอฝ่าพระบาททรงกระทากิจด้วยเนื้อหัวใจของข้าพระองค์ตามที่ฝ่าพระบาททรงพระประสงค์เถิด ถ้าฝ่าพระบาทไม่ทรงสามารถจะฆ่าข่าพระองค์ข่าพระองค์จะทำถวายตามพระอัธยาศัยของฝ่าพระบาทเองพระเจ้าค่าปัญญานั่นเองเป็นหัวใจของบัณฑิตทั้งหลายเราทั้งสองนั้นยินดีด้วยปัญญาของท่านยิ่งนักอุณกะยักษ์จงได้พรัรยาในวันนี้จงไปส่งท่านให้ถึงเคว้นกุรุรัตในวันนี้ทีเดียว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 ขอจงนำข้าพเจ้าไปยังอินทปัตถนครด้วยเถิดพุนกะยักษ์นั้นเชิญวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตผู้มีวั น, นะไม่สามให้ขึ้นนั่งบนอาสนะข้างหน้าของตนขึ้นมาอาชาในเพาะไปในอากาศกลางหาวพุนกะยักษ์นั้นได้นำวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัต ไปถึงอินทปัตถนครนเร็วยิ่งกว่าใจของมนุษย์พึงไปปุณกะยักษ์กล่าวว่าอินทปัตถนครปรากฏอยู่โน่นและป่ามะม่วงอันน่ารื่นรมก็เห็นอยู่เป็นหย่อมๆย่อมข้าพเจ้าเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงกับภรรยาและท่านก็ได้ถึงที่อยู่ของตนแล้วปุณกะยักษ์ผู้มีวันณดี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 ทรงเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะท่ามกลางธรรมสภาตรงพระพักของพระองค์พระเจ้าทนัญชัยตรัสว่าท่านเป็นผู้แนะนำเราทั้งหลายเหมือนนายสารทีนำเอารถที่เสียหลักแล้วกลับมาได้ชะนั้นชาวกุรุรัตทั้งหลายย่อมยินดีเพราะได้เห็นท่านฉันถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่ฉัน ท่านหลุดพ้นจากมานพมาได้อย่างไรวิทุระบันดิตทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนผู้ทรงแ ก, กล้าประเสริฐกว่านรชนบุรุษที่ฝ่าพระบาทตรัสเรียกมานพนั้นไม่ใช่มนุษย์เป็นยักษ์ชื่อปุนกะพระเจ้าค่าฝ่าพระบาททรงเคยได้ยินชื่อมาแล้วก็ปุนกะยักษ์นั้นเป็นอมตของเท้ากุเวระ พญานาคทรงพระนามว่าวรุณผู้ครองนาคพิภพมีพระกายใหญ่โตสะอาดทรงสมบูรณ์ด้วยวันณะและกำลังปุณกะยักษ์รักใคร่นางนาคกัญญานามว่าอิรันธตีพระธิดาของนาคราชนั้นจึงตกลงใจจะฆ่าฆ่าพระองค์เพราะเหตุแห่งนางอิรันธตีผู้มีเอวบางร่างน้อยน่ารักใคร่แต่ปุณกะยักษ เป็นผู้พร้อมเพรียงกับภรรยาส่วนข้าพระองค์ผู้อันพญานาคราชอนุญาตให้กลับมาแล้วและได้แก้วมณีมาด้วยพระเจ้าธนัญชัยตรัสว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดริมประตูวังของเราลำต้นประกอบด้วยปัญญากิ่งของมันแล้วด้วยศีลตั้งอยู่ในอัตและในธรรมมีปัญญารักษาตน มีผลเต็มไปด้วยเบนจ์จกรโครถดารดาษไปด้วยช้างโคและมา้าเมื่อมหาชนทําการบูชาต้นไม้นั้นเล่นเพลินอยู่ด้วยการฟ้อนรําขับร้องและดนตรีมีบุรุษมาถอนต้นไม้แล้วไล่เสนาที่ยืนแวดล้อมต้นไม้นั้นให้หนีไปแล้วนําไปต้นไม้นั้นกลับมาตั้งอยู่ที่ประตูวังของเราตามเดิม วิธุระบัณดิตเช่นกับต้นไม้ใหญ่นี้กลับมาสู่ที่อยู่ของตนแล้วท่านทั้งหลายจงกระทําการเคารพนบนอบแก่ต้นไม้คือวิธุระบัณดิตนี้เถิดขอเชิญอมสาตผู้มีความปลื้มใจด้วยยศที่ได้เพราะอาศัยเราทุกๆ ท, ท่านเทียวจงแสดงจิตของตนให้ปรากฏในวันนี้ท่านทั้งหลายกระทาบรรณาการให้มาก แล้วจงกระทำการเคารพงบอกแกต้นไม้คือวิธุระบัณฑิตนี้เถิดสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึง่งที่ถูกผูกไว้และถูกขังไว้ซึ่งมีอยู่ในแว่นแคว้นของเราจงปล่อยไปให้หมดวิธุระบัณฑิตนี้หลุดพ้นจากเครื่องผูกชั้นใดสัตว์เหล่านั้นก็หลุดพ้นจากเครื่องผูกชั้นนั้นพวกชาวไร่ชาวนาจงหยุดพัก เล่นมหระศบตลอดเดือนหนึ่งนี้ขอเชิญพราหมณ์ทั้งหลายมาบริโภคข้าวอันเจือด้วยเนื้อพวกนักเลงสุราและพวกที่ชอบดื่มสุราจงดื่มจากถ้วยที่เต็มเปี่ยมไหลปรีไปนั่งดื่มที่ร้านของตนของตนพวกหญิงแพทย์สยาที่อาศัยอยู่ตามถนนใหญ่จงเล้าลงชายที่มีความต้องการเป็นนิดอันหนึ่งราชบุรุษทั้งหลาย จงจัดการรักษาในแว่นแคว้นให้เข้มแข็งโดยการที่พวกชนจะไม่พึงเบียดเบียนกันท่านทั้งหลายจงกระทำการเคารพนบนอบแก่ต้นไม้คือวิธุระบัณฑิตนี้เถิดพระสนมกำนันในพวกราชกุมารพวกพ่อค้าชาวนาและพรามทั้งหลายได้นำข้าวและน้ำเป็นอันมากมาให้แก่วิธุระบัณฑิตพวกกองช้าง กองมา้ากองรถและกองเดินเท้าได้นำข้าวและน้ำเป็นอันมากมาให้แก่วิทุระบัณฑิตชาวชนบทและชาวนิคมพร้อมเพรียงกันได้นำเอาข้าวและน้ำเป็นอันมากมาให้แก่วิทุระบัณฑิตคนเป็นอันมากเมื่อวิทุระบัณฑิตมาถึงแล้วได้เห็นวิทุระบัณฑิตมาแล้วตางก็มีจิตเลื่อมใสพากันโบกผ้าขาว โหร้องขึ้นเสียงอื้ออึงด้วยประการชนนี้แหลวิุรชาดกที่เก้าจบ